เ อ, เอานี้นะเอานี้นะว่าในช่วงในป yes. no. no. evet. okay. mm ัจ hmm. จ no. right. ุบ no. ันเนี่ยถามว่าโยมศึกษาพระธรรมและสาธยายให้มันสาธยายคาสอนเนี่ยอยงนี้นี้นี้ยกตัวอย่างเช่นว่ากามาฉันทามีอยู่หน้าภายในจิตก็ให้รู้ชัดว่าบัดนี้กามฉันทามีอยู่หน้าภายในจิตกามาฉันท่าไม่มีอยู่หน้าภายในจิตก็รู้ชัดว่าบัดนี้กามาฉันท่าไม่มีอยู่หน้าภายในจิตกามาฉันท่าจะเกิดขึ้นโดยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วย การมาฉับการมาฉันท่าที่ดับไปแล้วจะไม่เกิดขึ้นมาอีกประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยอนี้ต้องก็ต้องเข้าความเข้าใจใช่ไหมก็เรื่องปฏิบัติเลยแหละนี่เรื่องปฏิบัติแล้วก็ปัญหาก็มันก็ทุกคนทุกอย่างถึงบอกไงบอกว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นพยาบาทเนี่ยตอนเนี้พยาบาทพยาปาท่หรือโทสามีอยู่ในภายในจิตเราไหมมีจังตอนนี้มีไม่มีใช่ไหมก็ต้องให้รู้ด้วยว่าตอนนี้ไม่มีใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม โทษาไม่เกิดก็ต้องรู้ว่าตอนนี้โทษาไม่เกิดแต่ถามว่าโทสาที่มันยังไม่เกิดเนี่ยแปลว่าเราละโทษาได้ยังเพราะอะไรรู้ไหมเออมันยังไม่ได้ทำมันไม่ได้ตั้งเหตุปัจจัยที่จะไปละเป็นต้นเนี่ยนะถึงบอกไงบอกว่าบางครั้งเนี่ย ว, วันนี้เนี่ยนะเราศึกษาคําสอนเ น, นี่ยหนึ่งอยากใจร้อนการศึกษาเนี่นะถามว่าในกรณีที่เราจะ จะเดินเข้าออห้องกรรมฐานถามว่าคุณคุณมีอะไรคือคุณมีอะร่รคุณมีอะไรไปเดินเข้าไปห้องกรรมฐานใจะสมมุติเขาหินะอาตมาอย่แต่ฟังบสมมุติว่าเออเอา้าวย้อสมานเรียนจบอะไรเนี่ยอยากอาตมายอยากจะให้ไปซ่อมไอ้ตู้ไอ้เครื่องฟไฟฟ้าอาตมานนหน่อยบอกงั้นเข้าไปในห้องไปไปฏิบัติงานเลยบอกงั้น ย้อหมายมาพอดีโยมไม่ได้เรียนเกี่ยววิชาช่างเลยไปเถอะไปดูแล้วก็ทำไปถามว่าจะได้ไหมเนี่ยกรรมฐานละเอียดกว่านนะั้กนกรรมฐานละเอียดกว่านนะั้นพระพุทธเจ้าแสดงกรรมฐานเฉพาะสมถกรรมฐานวิสีสวิวิธีวิปัสสนากรรมฐานหลากหลายมากอารมณ์วิปัสสนากรรมฐานกว้างขวางมากขันห้ายาณะธาตุสิบแปดสัจจะอินทร์สีปฏิจจสมบาทเยอะแยะหมด ถามไปแล้วแล้ไม่รู้แม้กระทั่งอะไรเป็นอารมณ์ของตัณหาไม่รู้แม้กระทั่งตัวอะไรเป็นวิปั ส, สนาเลยก็เหมือนจะที่ถามว่ายอนสมานช่วยซ่อมเครื่องไฟฟ้าอะไมาหน่อยเพราะงั้นอ่ะเครื่องไฟฟ้าพังหลายตัวเลยเพราะงั้นพัดลมก็พังแอร์ก็พังอยู่สมมตินะหรือว่าไม่ตู้เย็นก็นพังเย่างี้สมมุติหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในวัดเนี่ยพังไปหลายตัวเลยเพราะงั้นไปซ่อมหน่อยยอนสมานบอกไม่ได้เรียนช่างมาเลยท่านไม่เป็นอะไรหรอกไปแําทําทําไปเถอะ อันนี้เหมือนกันเอา้าจะไปปฏิบัติกรรมฐานคุณรู้อะไรมาคุณรู้สติปัฏฐานมาจบไหมอ่าไม่ทราบอา่ า, อาคุณรู้ไหมว่าอกายานุปัสนาเวทนาจิตาธารรมะคุณรู้คุณรู้ว่าลมกรรมฐานไหมคุณรู้ไหมกระสินบัญญัติอสุภะานาปนาิยมบนาคุณรู้ไหมขันห้าอายตนาสิบธาตุสิบปดสัจจะสี่อินทรีย์ยีิบสองปฏิเจริญบาสิบสองคุณรู้ไหมผมไม่รู้เอา้า ยุ่งนเลยเอาเถอคนบางคนเนี่ยจะไปเป็นหมอแล้วจะเป็นคนรักษาคนแล้วแต่เนี้ยทำเรียนจบอะไรมาจบปอสี่เอ้าหมอก็เรียนไม่ใช่ปอสีเป็นหมออะไรยังไม่พอเขยังต่อยตั้งหกเจ็ดปีแปดปีไปนถึงสิบสองปีนะบอกวผมจะเป็นเนี่ยว่างั้นนะผมเห็นแล้วมันได้ผมมีใจใบเนี่ยใจผมมงงมันเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยมันก็ผิดมันก็ถูกเหมือนกันไหมผิดก็ไม่รู้ถูกก็ไม่รู้อะไรแตเนี้ย ในสมัยทั้งพุทธการนิยมนี่ยะจะมาจะแนะนําอย่างนี้เนาะในสมัยทั้งพุทธการเนี่ยเวลาท่านสอนเนี่ยสมมุติว่าท่านไปสอนปุ๊บเนี่ยท่านจะสอนกันเป็นสูตรเลยเขาจะไล่ปัป๊บ ป, ปัไปอวิชชาปัญญาสังขาราสังขา ร, าขาราแล้วคนฟังจําได้หมดเลยเวลาเขาจะไปเจอไปปฏิบัติสติปัฏฐานเขาทรงสติปัฏฐานได้ทั้งพระทั้งฆราวาสเนี่ยเขาจำได้หมดเนี่ย เวลาไปปฏิบัติอะไรผิดถูกมันจะเกิดขึ้นเขาจะแก้ปัญหาเขาได้เลยอันเนี้ยอาจารย์ที่ขอภัยนะี้อาจารย์ก็ไม่รู้อะไรใช่ไหมคืออาจารย์อาจารย์ก็ยังอาจารย์สอนกรรมฐานก็ก็รู้เฉพาะส่วนของอาจารย์ถ้าถามว่าอาจารย์รู้ไหมว่าเราราค่าจริตรู้ไหมเราโทสะจริตรู้ไหมเราโมหจริตรู้ไหมวิตกจริตรู้ไหมศรัทธาจริตรู้ไหมพุท ธ, ธจริต รู้ไหมตัญหาเจริญปัญญาอ่อนปัญญากร้าทิฏฐิจริตปัญญาอ่อนปัญญากร้าจบเลยก็เป็นอาาจรย์ไม่มีอาสยานุตยยานคนที่จะมีอาสยานุตยยานมีคนเดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าแล้วทําไมล่ะทําไมเราไปสอนกรรมฐานอย่างนั้นเราเราต้องไปไปไปไปวิเคราะห์ดูก็คนไม่ให้มันเหมือนว่าเอ้าคนไม่รู้สมุทฐานของโลกเลยเอราะเราเนี่ยมีอัธยาศัยตาสองโยมเนี่ย ในสังสารวัตรที่ผ่านมายมเคยศึกษากรรมฐานประเภทไหนมาอนนาจารย์ก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้เบียดเสียดเอาสมมติว่าโยมเนี่เคยเจริญพุทธคุณมาเป็นอัธยาศัยมาถึงปัจจุบันอ๋ออนามาเอ๋อเอาเอาอาณาบรรณาบายผมนะมันก็ผิดเลยไหมเพราะในการไม่รู้อัธยาศัยก็ไม่เข้ากับอัธยาศัยเดิมมันมันไม่ใช่ว่ามันไม่ถูกมันไม่ถูกเจริญอย่างเดียวนะมันไม่เป็นปัจจัยขอความหลุญโทนเลย เมื่อไม่เป็นปัจจัยกวนรรเราเมานักสิการเฮ้ยเราก็ชอบใจเนะ่ยอนาคต ก, ก็ดีวกว่านั้นนี่ไงในยุค 2,500 ป, ปีเนี่ยเราต้องคิดให้มากอย่าเอาความรู้สึกหรือความหวังของเราไปพึ่งไว้กับบุคคลอื่นเพราะนั่นไม่ใช่สารณะนะใช่ไหมนั่นไม่ใช่สารณะนะเหมือนกอาตมามาสอนเนี่ยอย่าเอาความหวังมาไว้กับอาตมาแต่ให้เอาความหวังไปไว้กับพระธรรมของพระเจ้านะ ทำมังสารนังกระฉามนีพุทธัทงสารนังกระฉามนีสังคังสรนังกระฉามนี้น้ตอย่ามาไว้อาจจะมานะเพราะบางครั้งอาจจะมาก็โลคบางครั้งอาจจะมาก็โกรธบางครั้งอาจมาก็หลงบางครั้งอาจจะมาก็มีปัญญาแล้วเชื่อได้ไหมล่ะกระแสขันที่เป็นไปกับโรคโกรธหลงอย่างเงี้ยแต่ถ้าพระธรรมคำสอนของพุระเจ้าไม่เชื่อได้ถึงบอกไงบอกว่าเออท่านที่เป็นอาจารย์ทั้งหลายในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ต้องสืบพิค์กันให้จงหนักเหมือนกัน ไม่ใช่เราคือการที่ดีก็คือเจตนาดีกันตังบอกไงว่าถ้าเราถ้าเราไม่ศึกษายกตัวอย่างเลยเนาะจะมาว่าทุกปัจจุบันเนี่ยบางทีก็มีหมอเถื่อนก็มีเนาะบางทีก็มีหมอที่คือเขามีใบประกอบโรคศิลป์ก็มีแล้วก็ไปพิจารณาดูว่าเราจะไปรักษาแบบกหมอเถื่อนหรือหมอที่เขามีใบประกาศรับรองอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราจะปฏิบัติตามพระธรรมในพระไตรปิฎกอรรคถาดีกาหรือจะปฏิบัติตามอาจารย์ อเราก็ไปแยกแยะดูไปพิจารณาเออถ้าใจเราไม่ยังเชื่อครูบ า, าอาจารย์อยู่ไปปากไว้ก็ไม่เป็นไรเราไปพิเคราะห์ดูแล้วในสุดจริงๆเราจะรู้ว่าอันนั้นใค่สารณะไหมพระเจ้าบอกว่านั่นไม่ใช่สารณะอันะเกษมอันนั้นไม่สารณะอสูงสุ ด, สดเพราะเอาใจสารณะนั้นแล้วไม่ใช่มันไม่เป็นปใจความพนทุกที่เราก็เกิดไม่ทันสมัยคำศึกษาในก็คำสอน ม, มีอยู่คําสอนมีอยู่ใช่ไหมคําสอนมีอยู่ไงยกเจริญบอลตรงนี้ ปัญหาคือมีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไรล่ะเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว้อย่างไงมาดูก่อนอนะนนทําและวินยัยที่ตถาคตสแสดงแล้วบัญญัติแล้วทําและวินยัยนั้นจะเป็นศาสดราของพวกเธอหลังการล่วงไปเห็นเรานี่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรให้เราถือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสารณะใช่ไหมถ้าเราไปบอกว่าเอ้ออาจารย์คนนี้เป็นคนพูดพระพุทธเจ้ายังบอกเลยนะ บอกว่าแม้แต่ว่าอาจารย์นั้นพูดมาตรวจสอบดูทีในคําสอนของพระพุทธเจ้าเน่ยท่านอาจารย์ของเราที่พูดนั้นเนี่ยจะเป็นใครก็ได้ใช่ไหมท่านพูดถูกต้องไหมถ้าพูดถูกต้องก็ยึดถือเอาว่าท่านที่นี้จํามาดีแล้วแต่ถ้าท่านพูดไม่ถูกเราก็มานั ส, สิการว่าท่านยังจํามาไม่ดีแต่อย่าไปท้งมานัดนะเพราะคนเราจะเป็นอย่างเนี้ยจาผิดบ้างจําถูกบ้างหลาะยะอย่างเราต้องคิดว่ายกนี้เนี่ย ที่จะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลกันที่ให้จริงๆเลยเนี่ยนะมันก็เริ่มจะยากถะาเราเดินผิดทางใช่ไหมใช่ไหมจ้ะถ้าเราเดินผิดเนี่ยโอกาสจะแทงตลอดอริยสัจเนี่ยท่าจะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมจ้ยอันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์หรือไปพิจารณาอย่างนั้นกรรมฐานดีที่สมถะกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานแต่ว่าคนที่จะไปเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานไปถึงขั้นยาตัปริญญาติระนปริญญาเป็นต้นเหล่านี้เพราะอะไรรู้ไหม ศีลก็ส uh ุจร <artificial> ิตสามต้องดีอ่ะถ้าศ mm ีลไม่ดีเนี่ยไปก็ไปนั่งเจ๊งอยู่นี่แหละถ้าจะให้อาตมาเนี่ยนำเนี่ยยอมศึกษาเพ่าทให้เข้าใจและยอมจะคลายข้อสงสัยในใจหมดเลยเนี่ยที่ข้อของสงสัยเหมือนอาตมาจะไม่ก่อนถามนี่ ถ้ากทุกคนคิดอย่างนั้นเนี่ยทุกคนก็ไม่ศึกษาประานไดใช่มดีแล้วน่นยก็เหมือนเนี่ยเหมือนคนยอมนั่งฟังเนี่ยถามว่าบางบางทีคณยอมฟังแล้วเข้าใจไหมมีบางครั้งที่ไม่เคยฟังไม่ได้ฟังบ่อยๆก็เข้าใจแต่พอมาฟังหลายครั้งก็ฟัแต่โยมจะไม่ได้ทุกประโย์เนี่ยไม่โยมโยมเองที่ว่าโยมจะไดเป็นผัสใจโยมก็ต้องคิดอย่างนี้เนาะ อย่างเอานี้ได ว, ว่าเวลายอมศึกษาทางโลกยอมใช้เวลานานไหมเขาใช้เวลานาน่ไม่เยอะปทำไมยอ ม, มทนขนาดนั้นนี่นไงยมก็ใช้ความแข็งตินรจุ้ใช่ก็ขนาดศึกษาวิชาหากินแท้เรายัางทนตั้งสิปปบ ป, ใปีใช่ไนั้นถ้าอย่างนั้นเราก็มานาสิการถ้าจะเริ่มต้นใหม่ไเห็นแปลกเลยเริ่มต้นเลย ยอมมากว่าคุณภาษาอังกฤษเขไม่ได้เรียนแคพห้อง50ชั่วโมงเขาเรียนจะเป็น10ปีอย่างครูเล็กครูสองเรียนถ้าถ้ายอมถ้ายอมมีข้อมูลอย่างนั้นก็ไม่ต้องอธิบายมากแล้วชัดเจนแล้วนะคือในเรื่องของพระธรรมก็เหมือนกันหนึ่งยอมต้องมานัต <ys> ิการต้องศรัทธาพระเจ้าให้มากถ้าศรัทธาพระเจ้ามากแล้วเนี่ยยอมจะไม่ท้ะในการได้ศึกษาพระธรรมของยากเป็นเรื่องที <ys> ่ดีโย่แต่ของ <ys> อง่ายมันไม่ดี เดวไปตบรกำระปากนเกือบเดือนกว่าโยมจะได้หลงไปอยู่ที่แท่งวัชนอ่านใต้ต้นสีมโตรนะคะแค่แค่สองัปดาถามว่าโอ้พี่บากัลโยมยังทนรว่าโอ้หนึ่งเดือนที่โยมก็ดีแล้วนั่นก็เป็นเป็นสมันเมื่อสอ2พันายี่สิบ่เนี่ที่โยมฝยโยมนั่งเครื่องินกักค้ำค้ำศาสโยมก็ไม่ได้่ะถามโอ้หลวงปู่เมียนว่าโตโยะจามโยมได้อะไรมาจะเป็นโยมต่อไม่ถูกถามาทุกสาหัสหงปู่เมียนต้องตอบแทนโยมอ่ะ ขันติบาลมีไงขันติโอ้โยมไม่ทราบอ่าพอดีแล้วนะ่ยก็ตอนนี้ก็ตั้งอัตยาสายไปแนะนอนนะครก็ตั้งอัจฉริยะสายต่อไปจะต้องศึกษาพระธรรมแล้วในวันใดวันหนึ่งจะศึกษาพระธรรมแต่นี้เราจะชัดเจนในคำสอนเนาะดูก่อนอักี่เวสนะอริยะสาวะว่าพู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนะถ้าถามว่า สกเวทนามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสกเวทนาไม่เที่ยงอันปัจจัยประชุมปรุงแต่งแล้วอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขเวทนาแล้วก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยประชุมปรุงแต่งแล้วก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดายังไง แม้อาทุกข์สุขเวทนาเนี่ยแรงนั้นก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยประชุมปรุงแต่งแล้วอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาใช่ไหมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาสรุปแล้วว่าสุขเวทนาเนี่ยไม่เทียเะะเท่ยงเพราะอะไรทุกขเวทนาไม่เที่ยงเพราะอะไรแล้วก็อทุกขมสุขเวทนาไม่เที่ยงเพราะอะไรก็ต้องเอามาตรึกเอามาให้ควรเอามาพิจรารณา ปัญญาสติที่ไปไข่ควรไปตรึกไปพิจารณา น, นั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติแล้วนะเนี่ยปฏิบัติมันเกิดขึ้นแล้วในขณะที่เราไข่ควรแม้ในขณะที่ฟังเนี่ยถามว่าฟังเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติไหมเรียกไม่เรียกเขาเรียกภาวนาถามว่าฟังทำเป็นกุศลประเภทไหนภาวนากุศลภาวนากุศลก็คือสมถภ า, าวนาและวิปัสนาภาวนาฉะนั้นเราจะไปเข้าใจว่าปฏิบัตินั้นมันอยู่ในห้องเล็กๆ เ, เท่านั้น พรในสมัยครัะพุทธการเขาฟังธรรมบรรลุกันก็คือ เ, เขาจเจริญสมถะและวิปัสสนาในขนาดนั้นแล้วก็บรรลุท่านพระอัญญาโกณทัญญาฟังธรรมจักกับวัฒนะสูตรพร้อมได้พรมอีกสิบแปดโกดเพราะจบธรรมจักกับวัฒนะสูตรนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมคือธรรมโสดาปิมัจโสดาปิปนิเกิดขึ้นตลอดพร้อมทั้งพรมอีกสิบปดโกดถามถ้าให้ปฏิบัติในขนาดนั้นแล้วอะไรเกิดขึ้นกับท่านนั่นแหละเขาเรียกปฏิบัติแล้ว ต่อมาท่านก็แสดงธรรมนนานัตตระคณะสูตรพอจบอนัตตะอนละคณสูตรท่านเหล่านั้นก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์กันหมดเลยนั่นเรียกว่าปฏิบัติแล้วต่อมาพุทธเจ้าก็แสดงอนุปุปปีกถาแล้วจบลงด้วยอริยสัจสีโปรดยาศกุลบุตรพร้อมด้วยเพื่อนอีกห้าสิบกว่าคนเนี่ยนะในส่วนจริงท่านเหล่านั้นก็ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยแล้วก็ออกบวชแล้วต่อมาก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์เนี่ยนั่นก็แปลว่าท่านปฏิบัติแล้วในขณะที่ฟังธรรม และคนที่ฟังธรรมแล้วสามารถทำมรรคผลให้เกิดขึ้นเนะ่ยไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่หมื่นไม่ใช่แสนไม่ใช่ล้านหลายสิบโกดหลายหลายโกดเข้าใจยังท่านเหล่านั้นล้วนแต่ปฏิบั ต, ติต่อหน้าพระพักของพระเจ้าแล้วแทงตลอดอดีตศักดิ์กันหมดเลยเข้าใจเขาปฏิบัติหรือยังหนึ่งฟังธรรมก็เรียกว่าปฏิบัติ 2. สองแสดงธรรมก็เรียกว่าปฏิบัติสามสาธยายพระธรรมก็เรียกว่าปฏิบัติ สี่ตรึกตามตรองตามพระธรรมตามที่ไดเรียนตามที่ได้ทรงมาในพิสดารก็เรียกว่าปฏิบัติห้าศึกษาสมถนามิมิตและวิปัสสนาวิมิตทั้งหลายแล้วก็เอาไปใไ่ควรไปพิจารณาแทนตลอดอริยสัจอันนี้เขาก็เรียกว่าปฏิบัติเขาเรียกวิมุตตายตนะเหตุถึงการหลุดพ้นมันมีทั้งห้าวิธีมันไม่ใช่วิธีเดียวเขาเยยังทีนี้สมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาจะเข้าห้องกรรมฐานและปฏิบัติเนี่ยเขาเรียนกรรมฐานกันแบบพิสดาร เรียนอะไเรียนสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานจบแล้วเขาก็เข้ากรรมข้องกรรมฐานกันเขาทํากันอย่างนี้โวราณประเพณีก็ทําแบบนี้เขาไม่ได้ไปนั่งอาผู้สองทั้งคำก็ไปปฏิบัติผู้สองทั้งคำก็ไปปฏิบัติไม่เคยเจอในสูตรไหนเลยในสองหมื่นกว่าสูตรเนี่ยไม่เคยเจอเลยเหานไหมเข้าใจได้ยังแต่เนี้ยถ้าเข้าใจอย่างนี้จะได้ชัดว่าเวลาเขาจะปฏิบัติกันเนี่ยเขาเรียน ถ้าปัญญาไม่ดีเรียนโดยพิสดารแต่ถ้าปัญญาดีเรียนอย่างย่ออย่างสังเขยย้นะอนไปย้อนฟังทำจากพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วบรรุได้ก็คือไปดูมีพระใดผิดหรือไมทีนี้กายเนะย หอไม่มีเลยฟ <c oughs> ังธรรมจากพระพุทธเจา้าแล้วก็จากสาวกของพระพุทธเจา้าแล้วได้ได้บรรลุก็คือแน่เลยสองก็แสดงธรรมเองเลยก็ได้บร <c oughs> ลบรลุ <c oughs> สามก็คือ <c oughs> สาธยายน่ะทรงจําได้เงี้ยไปนั่งสาธยายรู้แจ้งอัดรู้แจ้งทำแล้วบรรลุ ด, ดัง <c oughs> แต่สาธยายนั้นต้องสาธยายเป็นสูตรนะร <c oughs> ข้าสวดมนต์ต้นหาคือรู้ความหมายหยแต่ไม่ใช่สวดรีบจบายตายามาจับกับปมั้นสรดมเออน่แหละสายตายาอยู่นั่นเป็นต้นแล้วดูสือสอนสื่อสอนก็เป็นการนแ้วเอาทำแมันเอะไรคะแล้วก็แล้วตรึกเรียนมาทรงจำมาแล้วก็ไปตรึกตามตองตามโดยพิสดารบรรลุ ประการที่ห้าก็คือเรียนสมถะกรรมฐ า, านสมถานิมิตนะเรียนกรรมฐานเท่าไหร่ในบาลีบอกว่าสามสิบแปดอาจจะกระถาเพิ่มอีกสองเป็นสี่สิบแล้วก็เรียนนิปัสสนากรรมฐานด้วยเรียนสมถะกรรมฐานนิปัสนากรรมฐานจบแล้วเข้าห้องกรรมฐานเลยซึ่งเดี๋ยวนี้ไปเรียนกันสองสามนาทีแล้วให้เข้าห้องกรรมฐานเล ย, ยนี่ยังเป็นปัญหาตรงเนี้ยก็ตรงนี้ง่ยายจามา์ทุงบอกไงเขาเน้นให้ เราต้องทำตามเราจะทำตามโบราณประเพณีหรือจะทำในยุคปัจจุบันที่ามว่าท่านพระอาจารย์ทก่จริงท่านทราท่านก็สอนไม่ไหวนะอย่าขออนุญาตโยมเลยพระอาจารย์ที่วัดทีิยุท่านก็ไม่ได้มาสอนมากากับแลเป็นการถ่ายทอดจากขึ้ทีมาดูแลให้แนวกรรมฐานะครับก็เอาอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าก่อนเนาะถ้าอย่างนี้เราเราจะสบายใจยมต้องมาเรียนทฤษฎีดีแล้วดีแล้วอาอย่างนี้ถือว่าถามว่า นั <c oughs> ่นแหละเพราะเพราะทำนะไปฟังเยอะๆมีห่อท so ี <In> BC, ่เขาแจกเป็นยี้รือเปล่าเอาไปฟังฟังให้เขสิบรอบเราัูไม่เข้าใจไม่รู้ไปสิใช่ไหมเนี่ยเราอย่าไปฟังสอบสวนสิถ้าไปสอันุถ้าไปสอบสวนแล้วมันยุ่งเนอะจริถามในะยสสอันนั้นเขาเป็นท่รูปแบบาษฟังเข้าใจ่น้อยอะค่ะก็้ จะได้แน่นรอบาหลีบาลีก็ต้จานหน่อยหอว่าบาลีก็ต้แปรภาษาภาษาบาลีก็ต้มแปรเที่นก็ดีก็ดีหาได้ทบความรู้บาลีเองพระเจ้าน่ารู้บาลีขนาดภาษาฝรั่งเภาษาเยอมันไม่ใช่ทไมยอมผลขวาจะเรียนได้อาครอ่ไปสอนอะไรเียภาษาเรียนเงงนันแต่ก็ได้เฉพาะว่าใช่หทำไมภาษาของพระเจ้า บา ง, งทีก็ เ, เจอโยมโยมอะไรแบบนี้มียอยะนะมยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังดีก<อ>ว่ายอมนิ่งๆฟังนีกว่าน<อ>่อมาจะเล่าให้ฟังอเออภาษาดั้งเดิมของสัตว์โลกยังเป็นภาษาบ<อ>าลีเขาเรียกสันติภาษามันไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่เราพยายามไปยกหรือมาพูดกินภาษาดั้งเดิมของสัตว์โลกคือภาษาบาลีเขาเรียก เป็นตันติภาษาเป็นภาษาเดิมแท้ทีนี้ภาษาปัจจุบันที่มันวิวัฒนาการมาทั้งหมดทั่วโลกเลยมันวิวัฒนาการมาจากภาษาบาลีมันเกิดมาเนี่ยจะเป็นหลายล้านปีมาเนี่ยภาษามันก็วิบัติมาเรื่อยก็เลยเพียนมันก็เพียนเพียนเพียนเพี้ยนเพียนมาเรื่อยทีนี้ต่อมาเนี่ยนะเหมือนกับสุนัขเหมือนกับพวกหมาแมวหรือเหมือนกับพวกอไรบายสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ปัจจุบันก็เพี้ยนหมดภาษามันก็เพี้ยนก็เหมือนภาษาของมนุษย์ก็เพี้ยนเพราะมันไม่ใช่ภาษาดั้งเดิมแล้วมันก็มันก็พัฒนาเอาเขาเรียกมันมันวิบัติมาดีกว่าภาษามันวิบัติทีนี้พอมันวิบัติมาเปิดเสร็จมาจนถึงปัจจุบันนี้พอเรามาพูดภาษาบาลีอันนี้เป็นภาษาเดิมแท้เป็นภาษาที่พวกเราจะได้ตัดสุขเข้าใจยังทีนี้ว่าเวลาพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรม เมื่อพระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยพระองค์แสดงเป็นภาษาบาลีแต่ด้วยพุทธบารมีของพระเจ้าเนี่ยเมื่อพระเจ้าแสดงเป็นภาษาบาลีนั้นน่ะความทรงจําเดิมของเรามันจะเกิดขึ้นเขาอย่างยังมันจะเหมือนกับถูกล็อกเลยอ่ะถูกล็อกถูกล็อกเขาไว้เลยกระแสจิตของเราก็จะเป็นไปตามขระวสุรเสียงของพระเจ้าด้วยอานาจพุทธญาณของพระเจ้าภาษาเดิมของเรามันจะขึ้นมาสู่กระแสใจ แล้วเราก็จะฟังเป็นภาษาบาลีไพเราะมากขึ้นเป็นเอวาเมสุตังเอตังสมยังปะกวาพระราณายังฮารตีอิสิปตนเอเมรดาเยนี่ไปเปดาวระดับฟังก็จะพาะแล้วในสื่อจริงๆเราก็จะรู้แจ้งอัฏฐารู้แจ้งธรรมะปราโมทก็จะเกิดปีติก็จะเกิดปัจสถานก็จะเกิดความสุขก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิ ด, ด, กก ด, กกดแล้วยะถาภูดายาณทัทชน ะ, ะแล้วก็ดิพิทาวิราค้าเป็นต้นก็จะเกิดแล้วก็แทงตลอดอริยสัตว์ เยาใหญ่ยงฉะนั้นเราฟังไปเหอะวันนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรหรอกแต่ฟังเป็นอธัธยาศัยก็ไนเพราะเราจะต้องได้ตัดสูนในภาษานี้นะเขาใหญ่ยัยงฉะนั้นทขาบอกว่าเมื่อบุคพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอธัธยาศัยหลากหลายเมื่อพระองค์แสดงธรรมเมื่อสัพระองค์แสดงธรรมนั้นนะ่ะสัตว์นั้นฟังธรรมของพระพุทธ เ, เจ้าแล้วเนี่ย ก็จะสามารถมนติกการกระทาคําสอนแล้วก็เข้าสู่ภาษาของตนคําว่าเข้าสู่ภาษาของตนเนี่ยดีกาท่านบอกว่าภาษาดั้งเดิมของตนคือตันติภาษาคือภาษาบาลีทีนี้เราอย่าไปปฏิเสธภาษาบาลีนะเพราะภาษาบาลีเนี่ยเหมือนเหมือนจะสมัยหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหมูไม่เอาแล้วภาษาบาลีมาจากพุทธศาสนาอินกศาสนาก็พยายามตัดออก เอาวิริยะก็ไม่เอาเอาความเพียงแทนใช่ไหมแล้วก็อีกเยอะเกี่ยวกับในเรื่องของศรัท ธ, ธาก็ไม่เอา เ, อาเรื่องศีลธรรมก็ไม่เอาเอาจริยธรรมมาแทนนี้เป็นต้นพอเลือกไปเลือกมาพอมาถึงสติเป็นไมมหมทําไงเราเนี่ย ห, หาหาภาษาไทยรองรับไม่ได้พอมาถึงคาว่าปัญญานมใี่คหมหาภาษาไทยรองรับไม่ได้ยิ่งยิ่งจะหนีก็หนีไม่พน้พนจะพ้นได้ยังไงภาษาบาลีเป็นตันติภาษา นันเป็นภาษาดั้งเดิมของสัตว์โลกเพราะเจ้าพรามนุษย์เนี่ยมาจากพรหมใช่ไหมกับเนี่ยมาจากพรหมมาจากภัทสละพรพาทสละพรเน่ยมาภาษาอะไรภาษาภาษาดั้งเดิมก็ภาษาภาษาบาลีพอมาในโลกใบนี้เสร็จเสร็จนักเข้านักเข้าก็มาทํากรรมที่ไม่เหมาะไม่สมออิทธิฤทธิ์ต่างๆก็หายหายไปนักเข้านักเข้าก็นั่นก็ภาษาก็เดิมขึ้นมา นะครก็มีรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยทีแรกเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นลองไปเปิดดูในชีคณิกายเนีอักขันยโสจะรู้ประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยต้องไปดู่จากการที่ประชาชนเกิดมายุคแรกของโลกเนะ่ยเกิดมาเพาคนมากขึ้นมากขึ้นมันเริ่มวุ่นวายคนบางคนก็เริ่มฟ้านาดีบาตินาทานเริ่มพุ่นกันมาแล้วเขาก็เริ่มหันไปประชุมกันพอไปประชุมกันีิไม่ได้แล้วถ้ามนุษย์ปล่อยป่านละเลยอย่างเนี้ยแต่ก่อนะเราไม่มีอวัยวะต่างๆเห็นไหม เกิดขึ้นมาไว้ว่างเราไม่อยากก็อยากขึ้นเนใจพวกเราอยากขึ้นแต่ก่อนนั้นเราไม่มีการมราคะก็เกิดการมราคะขึ้นแต่ก่อนไม่มีปฏิฆะก็มีปฏิฆะขึ้นแต่ก่อนไม่มีถีนมิถะก็มีถีนมิถะขึ้นแต่ก่อนไม่มีอุทะจักก็มีอุทะจักขึ้นแต่ก่อนไม่มีวิจิกิจชาเดี๋ยวนี้วิจิกิจชาก็มีขึ้นนี่ทํายังไงดีจะหาใครก็ก็เว้นหาคนที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมาคนหนึ่งเป็นคนปกครองก็พระมโนแม้พระสมุติเนี่ยมาสมุติเนี่ย มหาสมุทรนั่นแหละขึ้นมาจากการเลือกจากการเฟ้นนั่นแหละราบอกประชาธิปไตยเดิมดั้งเดิมนะ่ะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีการปกครองกันทีนี้ไอ้ภาษามันก็เริ่มวิบัติมาเรื่อยนักเข้านักเข้าก็จะเริ่มมีภาษาแตกไปเรื่อยๆแม้แต่สมัยก่อนเน่ยคุยกันได้ทุกภาษามนุษย์คุยกับ น, นกกับหนูก็ได้คุยกับพวกไร่ต่างก็ใช้ภาษาเดียวกันนักเข้ามันก็มันก็เพี้ยนกันมาหมดนกก็เพี้ยน หนูกับเพีย้ยนแมวกับเพีย้ยนนะนะมนุษย์กับเพีย้ยนไปกันคนละภาษาเลยตอนเนี้ยแล้วก็แล้วก็สืบค้นภาษาเดิมไม่เจอแต่เมื่อสัตว์โลกนั้นมาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระเจ้าให้สังเกตดูทีภาษาของเราแท้ๆนะภาษาของเราสมายาัยก่อนอจะมาดูเไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแต่พอเพ่งไปไม่ต้องดูมีพื้นฐานบาลีเลยนะพอเพ่งไปพเพ่งมาอุ้ยไม่ยากนี่ไม่ยากจริงๆ อพอเพ่งไปนี้เราไม่เคยพิยจรารณาไม่เคยเพ่งภาษาอื่นเนี่ยไหมถ้าพูดหนักๆโคตรเรียนยากเลยนึเรียนยากมากภาษาอื่นเนี่ยเรียนยากจริงๆแต่ภาษาเดิมของเราเนี่ยเรียนง่ายไหมภาษาเดิมของเราเนยเรียนง่ายมากใช่ไหม <c oughs> เราไปพิจารณาดูดิแล้ว <c oughs> จะเราจะรู้แล้ว เ, เ, เราใช้จนเคยชินคุณยอมเชื่อเลยแล้วนีนามสกุลยังอ่านนายอมเชื่อเลย มองคนใช่ไหมงกรานี่บาหลีนะเนี่ยเนี่ยชื่อแล้วก็ยังเป็นบาหลีเลยเนี่ยมมงคนก็คือบาลีเนี่ยแหละเอาภาษาบาหลีมาตั้ต้องสังเกตแต่ละคนแต่ละคนอะไรนี่ก็นั่นแหละก็บาหลีเนี่ยเห็นไหมอันนี้อันนี้ก็บาหลีก็ให้มันได้อย่างนั้นเถอะเขาบอกว่าเขาบอกว่าโดยโดยพยันชนะได้แต่ต้องให้อัตถะถึงด้วยนะ ก็เหมือนกับคนบางคนชื่ออริยะพุทเจ้าไปไปนั่งตกปลาอยู่ชื่ออริยะพุทเจ้าถามว่าเธอเชื่ออะไรบอกท่านพุทธเจ้ชาชื่ออริยะบอกไม่ชื่อรุณประเสริฐแต่คุณทำล้อาชัว่วเหมือนนชื่อไม่ประเสริฐเลยไหมถ้ารุ่งเรืองเนี่ยมันจะต้องรุ่งเรืองด้วยศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมมันถึงจะชัด ถ้ามันไม่ร่วงเรืยงด้วยศีลสมาธิปัญญาไปรุวงเรืยงด้วยราคาโทสศัพทโมหานี้ไม่ชัดแล้วเข้าใจยังงั้นต้องต้องดําเนินตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้ามันต้องทรงบริยัติของพระพุทธเจ้าให้ได้ถึงจะชื่อชื่อิมานี่แท้จริงอยังไงอันนี้ในโฆษณาของผมใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปเอ๊ะทำยังไงจะให้เหมือนชื่อใช่ไหมเหมือนอริยราชพอพพุทธเจ้าทักทักท้วงอย่างั้นเบดเสร็จท่านทิ้งเลยทิ้งเบ็ดแล้วปังทำแล้วได้เป็นพระอริยจริงๆเลยต้องอย่างงั้นใช่ไหม ใช่ไหมเราให้ชื่อเราดีอยู่แล้วทำให้มันดีมันชื่อมงคลใช่ไหมโอ้ยชื่อเราไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเอะจะทำให้เป็นมงคลสามสิแปดได้ไงตอนนี้ไปคิดแล้วใช่ไหมใช่เอามงคลสามสิบแปดมาต้องมาคิดเราไม่ได้อย่าไปมักน้อยในกุศลทัานห้ามนะท่านไม่สอนไม่สอนมักน้อยในกุศลนะเขาบอกเวลาเจริญกุศลก็ห้ามมักน้อย แต่ถ้าหากว่าสเสบกรรมคุณเนี่ยน้อยๆไม่เป็นไรใช่ไหมรูปเสียงกินรถเนี่ยอาหารเนี่ยกินน้อยๆเป็น้ยไรหรอกไม่เกีเ่ยวไม่ไยมังคืในในขณะที่ว่ายิ่งยิ่งตัวกุศลศีลมีปริมาณมากเท่าไหร่นะยิ่งดีเพราะว่าจะปลอดภัยจากอบายภูมิมากเท่านั้นคนยิ่งกุศลศีน้อยเท่าไหร่หอหวาดเสียวได้ใช่วหมนะ เหลียวไปเ อ, อสตัหลยมีแค่ห้าข้อแค่นั้นมันน่ากลัวน ะ, ะเข้าใจยังเดี๋ยวไปมีแค่ห้าแค่นั้นเน่ยยุ่งนะได่ห้าข้อเนี่ยตอนนานยิ่งยุ่งใหญ่เชื่อไหมแค่ห้าข้อก็ยั ง, งน่าหน้าหวาเดเสียวเอางี้เรามีบ้านเนี่ยเราก็ไปปลูกบ้านเบ็ดเสร็จแล้วก็ทํารั้วปักเสาวไว้ห้าต้นก็พอแล้วกันขโมยได้ไหมไม่ได้อพอใช่ไหมศีลก็คือรั้วที่ป้องกันขโมยเดี๋ยวจะพูดบางอย่างเดี๋ยวยอมจะตกใจเนาะเชื่อไหม เชื่อไหมปฏิบาติที่ยอมทำจากการตบยุงเนี่ยจะเป็นปัจจัยแก่ปีดูฆ่ามาดูฆ่าได้สามบอกว่าคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยเราเริ่อนจากฆ่าเล็ ก, เกนิ่นึงกระจายยังยอมต้องคิดให้หนักนะอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยนี่นะไม่เป็นไรไม่ใช่การกวาดนี่ก็ปลากรอการทําความสะอาดโอ้แม้ทั้งนั้นพระทักกีวรนเนี่ยใช่ไหม ถ้าไม่ปรารบปรนปฏิบาตนะท่านปรลาลบความสะอาดาพาะกว่าวิหารลานเจดีเนะี่ยท่านปรารบความสะอาดถ้าไม่ได้ปรารบในการกระทําปฏิบาตถือให้เป็นถือไม่เป็นเดี๋ยวจะเป็นนิครนน่าตบุตรใช่ป <Okay. S 1> ่ะโอต้องมานั่งวิจัยวิธีคิดกันเยอะ <Okay. S 1> เนาะอ๋นิครนนะอราจมาไปที่อินเดียเนะ่ยเดี๋ยวจะไปเลยไปนิครนเนี่ยเขาจะไปที่ไหนก็ยินไม่กว่าอันนึง กับมีผ้าปิดปากปิดจมูกเขากลัวเชื้อโรคเนี่ยจะเข้าไปทําให้เขาเป็นเบาะไปไหนก็จะต้องกวาดไปด้วยเดี๋ยวจะไปเหยียบ ม, มดอย่างนี้เขาเรียกอัดตากิร๊มาฐานุโยกพุทธศาสนาเนี่ยต้องเขาเขาเข า, เขามุ่งเจตนาเนี่ยเจตนาเรากวาดทําความสะอาดเราไม่มีเจตนาฆ่านะต้องต้องชัดตรงนั้นแล้วแต่ว่าถ้าเราเห็นจนชัดเจนอะไรต่างจะเป็นเหตุทําให้เขาตายอันนั้นก็อีกเมืองเนื้อ ก็สับเทสับตาเดี๋ยวก้อข้าวเดี๋ยวโมเรียาำไงโม่ด่างเป่าทีแรกก็เป่าเป่าไปป่าว่าเอาน้ําราดเลยอ่ะแล้วก็บอกสับเทสับตาสีไม่ค้น่ะพระคุณเจ้าแล้วทำยังไงก็เป็นปฏิบัติไปแล้วเขาอย่างนี้นะยอมนะวันนี้นะวันนี้ยอมศึกษาพระธรรมแค่นี้เนาะสักวันหนึ่งถ้ายอมรู้พระธรรมนะอะไรมาจะตั้งข้อสังเกตไว้นะยอมศึกษาพระธรรมไปนะ ปะเด็นตรงนี้เดี๋ยวยมจะได้คําตอบทั้งหมดเลยศึกษาไปเถอะแล้วโยมจะรู้ว่าอะไรควรและไม่ควรมีคุณหมออยู่ท่านหนึ่งนะมีคุณหมออยู่ท่านหนึ่งใหญ่สนนานาอ่ตมาเนี่ยแต่ก่อนก็เนี่ยประเด็นอะไรเยอะอัตมาบอกหมอคิดมากในหมอปัญหาเยอะเอาพัตรไตรี่ดกไปอ่านศึกษาไปอ่านเอาไปสงสัยในคําสอนว่าไปแล้วหมอจะได้คําตอบเองแล้วพอราศึกษาไปเดี๋ยวนี้ หมอคนนี้จบเข้าใจกี่โดพอจบเบสเสร็จแล้วเนี่ยถามหมอเป็นไงผมไม่สั่งยาฆ่าพยาธิอะทําไมล่ะผมรู้อะผมไม่ได้มีเจตนาไอ้ออ น, นี่สิก็เลยบอกหมอตรงนี้พระก็ถา ย, ยาไม่เห็นผิดเลยเอ๊ะท่านคิดอย่นี้ถ้ายาฆ่าเนี่ยมันผิดแต่ของท่าเนี่ยท่านกินพวกลูกมะเกลือท่านไม่มีเจตนาฆ่าท่านมีเจตนาจะถ่ายออกไปใช่ไหม เออเนี่ยแม้เจตนาแค่นี้มันพ้นได้ทันดีเอาสินี่ก็เข้าใจเออวันก่อนเกี่ยวเรื่องเชื้อโรคเันมาก็ถามหมอแล้วเฮ้ยเป็นยังไงหมอเอามาเจอปัญหาเนี่ยเขาวิจัยมาแล้วก็จยอุัตัเชื้อโรคไม่ใช่มีชีวิตเออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตออแต่ถ้าเรนเนี่ยไา่เนี่ยใช่ ไอพวกเชื้อโครคฮะอันี้ถ้า เ, เราจะฉีดยาฆ่าแมลงให้มันจมเนี่ยือเราไปรอนทำความสะอาดให้ใบไม้มมไม่ได้่ามด้ไไม่ได้าเาเรยนี่นป็นยาฆ่าเนี่ยใช่เรใช่หมนึ่งรู้ว่าสัตว์มีชีวิตนะเกิดหนึ่งสัตว์มีชีวิตสองรู้ว่าสัตว์มีชีวิตสามมีจิตที่จะฆ่าสี่ทำความเพียรเพื่อฆ่า ฆ่าสัตว์นั้นตายเพราะความเพียนเราไปรูแ้แล้วยานั้นเป็นยาฆ่าใช่ไหมแล้วเฉลยที่ว่ายาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อโรคอะเชื้อโไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเราก็อ๋อว่าแตมาไม่มีข้อมูล พระอาจารย์ค่ะเาอย่างนี้เป็นเรื่องของะเีย่อนใช่หมคะยออ่ะมันจริงๆแล้วแต่คนรู้กาสอนไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ใชู่้ว่าในการปฏิบัติเนี่ยคือบางทีเนี่ยเรานี่นะต้องนึกอย่างนี้เนาะบางครั้งเนี่ยคิดมากแล้วก็เครียดไม่ไม่ใช่บันดีบางทีเราไม่ใช่เป็นผู้เค่งคัดอะไรเลยไม่ใช่ผู้เค่งคัดก็จะหาเหตุในการที่จะทำให้ตนเองพ้นผิด ออบางทีมันไม่พ้นเขาเรู้อยู่ว่าไม่พ้นเรามีเจตนาให้บริสุทธิ์ในกุศลศีลในศรัทธาของพระเจ้าถ้า่คนเรามีศรัทธาในพระเจ้าจริงๆเมันไม่น้อมเลยไปนัดบากอธินาทานการรมคิดเหนียว ไ, ไม่คิดเลยแต่ว่าทําันก็ทํากิจตามหน้าที่เอางี้นะนางที่เป็นพระโสดาบันมีมีสามีเป็นนายพานีนางก็น้อมในการเหลาลูกธนูทําไหมเห็นไหม แต่นางทำไมไม่เป็นปฏิบัติกับสามีรมเราเห็นไหมถึงบอกว่าถ้าคนเขารู้ว่าธรรมคาสอนจริงๆเขามมตสิ ก, การเป็นนั้นถะึงบอกบางครั้งเนี่ยเราเอาความรู้สึกที่เรายังไม่รู้พระธรรมไปวัดคนที่รู้พระธรรมเขไม่ได้เราเอาความรู้สึกของเราไปวัดพระโสดาบันพระโสดาบันเอ า, าความรู้สึกไปวัดพระสกทาคาพระสกทาคาความรู้สึกตัวเองรู้วัดพระอนาคาพระอนาคาความรู้สึกตัเองไปวัดพระอรหันต์พระอรันธรรมดาเอาความรู้สึกไปวัดของอัครสาวก อกากาฬาสาวกไปเอาความสุขไปวัดของพระพุทธเจ้ามันคนละเรื่องนคนละประเด็นฉะนั้นความละเอียดอ่อนของพระธรรมความกว้างขวางของศรัท ธ, ธาของแต่ละบุคคลก็ไม่เท่ากันศรัท ธ, ธาของพระอา น, นุ์ก็ต้องดีกว่าศรัท ธ, ธาของพวกเราศรัท ธ, ธาของพระสารีบุตรก็ต้องมากกว่าพระอ น, นุนเพราะพระสารีบุตรมีปัญญากว ม, ม, ม, มากมากกว่าพระอ น, นุ์นี้เป็นต้นมันก็ต้องเรียงลาดับให้ถูกเข้าใจไม่มศรัท ธ, ธาของเราเรามันศรัท ธ, ธาตั้งไว้บนอะไร สร้งไว้ปริยัติที่มั่นคงไหมปริยัติคือองค์ของพระศาสดาเนอะพระเจา้าบอกพระองค์ป ร, รินิพพานเพียงรูปเดียวองค์เดียวใช่ไหมแต่แปดหมื่นสี่พันฟัดองเนี่ย 8, 000 4, 000ะนะแปดหมื่นสี่พันองจะอยู่กับพวกเธอแล้วพวกเธอจะเข้าถึงได้ไหมละ่ะจะเข้าถึงพระศาสดาเข้าถึงพระเจ้าได้ไหมจะเข้าถึงผ่านใครใช่ไหมก็ต้องผ่านพระไตรปิฎกอัตถกถาเลยดีกาถามว่าเออมันมันจะมากมันจะหนักสําหรับเราไหม ก็สังสารวัตรที่คุณเกิดมามันต้องมากแล้วทําไมคุณทนได้ทําไมคุณจะรู้สึกจะทนไม่ได้ในขณะที่จะใช่ไหมมาวันนี้อ่ะอุ้ยไม่ไหวแล้วต้องรีบพ้นทุกข์เอารีบไปได้ร่รีบก็หกหมดนะต่อให้รีบวันนี้ก็หกหมดเนะเหมือนเราถือของเราเรีบวิ่งเนงี่ยหกล้มรีบไปไหนเดี๋ยวมันก็วนกลับมาที่เดิมนี่แหละไม่ต้องรีบตั้งหลักให้ถูกแล้วก็ศึกษาระธีทำไปให้ชัด ในขณะที่ศึกษาในเชื่อปฏิบัติแล้วพยายามแล้วเร า, เ, ร า, เ, ราเมื่อเราชัดเจนในคำสอนเด็กเสร็จแล้วต่อไปแล้วเราจะเข้าใจแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะจักศรัทธาพุทธเจ้ามากกว่านี้เป็นอยู่นี้แล้วเราจะ น, น้อมใช่ไหมบอกว่าเออพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเราได้มีโอกาสริมรถพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้ า, าใจนะอ่ะสาธยายเอ้าวก็ต้องดูว่าเจน เจตนาท่านเจตนาท่านคิดยังไงเพราะ<อ>เจตนาช่วย<อ>ก็ในเรื่องนี้นะมันมีมันมีพระมหายานนะีณพระมหายานเนี่ยอาจารย์กับลูกศิษย์อาจารย์กับลูกศิษย์ ก, ษก็ไปด้วยกันต่อมามียมผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยข้ามน้ำไม่ได้พระที่เป็นอาจารย์นี่ก็จับอมโยมผู้หญิงที่แต่งตัว ง, ง, งามๆนี่นะ อุ้มพุ๊บ ก, ก็เดินข้ามน้ำํำเดินปุ๊บปุ๊ปไปเน้นตาเขียวเลยโอ้โหอาจารย์กูนี่กูหลงนับถือมาตั้งนานมาอุ้มโยมสาวๆข้ามน้ําใช่ไหมโอ้โหทำไม่เหมาะแต่ก็ไม่กล้าพูดซสดีก็เดินกัดกลุ้มไปนั่นแหละเดินผ่านไปแล้ววันนึงก็แล้วสองวันก็แล้วก็ได้โอากาสรีบเข้าไปบอกอาจารย์โอ้โผมเครียดมากเลยเขาบอกถามทําทไมอาจารย์ทํากรรมที่ไม่เหมาะแล้ว ไปอ้วงยกผู้หญิงข้ามน้ําได้ยังไงอาจารย์ก็หันมาบอกเอ้ยนี่เราวางตั้งแต่เมื่อวานก่อนนี่แล้วนี่เธอยังไม่วางดิเป็นคนละเรื่องเลยเขายอยาแต่นี่ไม่ใช่ไอแบบนี้ที่ก็ยกมาไม่ใช่แต่ประเด็นที่โยนถามเนี่ยท่านมาดําเนินการอะไรต้งบอกไงไอว่าช่วยจริงหรือว่าลื้อน้อมที่จะไปถูกต้องกายเขาได้ความกําหนัดหรือไม่ถ้าหาไปน้อมน้อมถูกต้องกายเขาได้ความกําหนัดคุณก็เป็นอาบัติสังฆาพิเศษ ใช่ไหแต่เธอน้อมในการที่จะช่วยก็ไม่เป็นใช่ไหมก็เป็นเรื่องเรื่องจรินงนะที่ทำ ม, มันมีวิธีตั้งเยอะแยะใช่ไหมปัจจุบันเนี้ยก็ให้คนอื่นไปช่วยแทนไปรื่อย